จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัท ธ, ธาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9ก้ามีนาคมพุทธศักราช2 5 5 1เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมารับมรดกมารับสมบัติที่พระพุทธเจ้า ได้ส่งมอบไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนทุกๆคนมรดกที่พระพุทธเจ้าสมบัติที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพวกเรานี้มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติอื่นใดในโลกนี้เพราะสมบัติต่างๆในโลกนี้มีอายุไม่อยู่ยาวนานและไม่ได้ให้ความสุข อย่างเดียวนอกจากให้ความสุขแล้วก็ยังให้ความทุกข์ความห่วงความกังวลความเสียดายแต่ทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าท่งมอบให้กับพวกเรานี้จะเป็นทรัพย์ที่มีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์และบางส่วนทรัพย์บางส่วนสมบัติบางส่วนก็จะเป็นสมบัติที่ไม่มีความทุกข์ เหลืออยู่เลยมีแต่ความสุขล้วนๆขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเราแต่ละคนว่าจะมีความสามารถตักตวงรับสมบัติต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายไว้ให้กับพวกเราได้อย่างไรเท่านั้นเองสมบัติที่พระพุทธเจ้าสมงมอบให้ก็เริ่มตั้งแต่มนุษยยะสมบัติ เทวะสมบัติพรหมสมบัติและโลกุตระ ส, สมบัติคืออริยสมบัตินั่นเองมีตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปจนถึงระดับพระอระหันต์ถึงระดับนิพพานนี่เป็นสมบัติต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบให้ให้กับสัตว์โลก ผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อผู้ที่มีความภาคเพียรอุตสาหะผู้ที่มีขันติความอดทนผู้ที่มีสติมีปัญญามีสมาธิจะสามารถรับสมบัติเหล่านี้ไปได้มนุษยสมบัติก็คือเราเมื่อหลังจากที่เราตายไปแล้ว แทนที่เราจะต้องไปเกิดเป็นนกเป็นสุนัขเป็นแมวหรือไปตกนรกเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เทวสมบัติก็คือเทพนั่นเองไปอยู่บนสวรรค์ชั้นเทพต่างๆส่วนพรหมสมบัติก็เป็นสวรรค์ชั้นพรหมโลกส่วนโลกุตละสมบัติคือสมบัติที่อยู่เหนือโลก สมบัติที่หลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือนิพพานสมบัติก่อนจะถึงนิพพานสมบัติก็ผ่านสมบัติขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีไปจนถึงขั้นพระอระหันต์เมื่อถึงขั้นพระอระหันต์ก็จะได้ถึงขั้นนิพพานสมบัติ สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในพระพุทธศาสนาพร้อมที่จะมอบให้กับเราอยู่ที่พวกเราว่ามีความสนใจมากน้อยเพียงไรมีศรัทธาความเชื่อมากน้อยเพียงไรมีความภาคเพียนอุตสาหะมากน้อยเพียงไรมีสติมากน้อยเพียงไรมีสมาธิมากน้อยเพียงไรและมีปัญญามากน้อยเพียงไรเท่านั้นถ้าเราสามารถเสริมสร้าง คุะสมบัติต่างๆเหล่านี้ได้มากน้อยเพียงไรเราก็จะมีโอกาสหรือมีความสามารถที่จะตักตวงสมบัติต่างๆได้มากขึ้นเพียงนั้นในเบื้องต้นเราก็ต้องมีศรัทธาความเชื่อเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี้ทรงมอบให้กับเรานี้ เป็นความจริงมีจริงของจริงไม่ใช่เป็นของทีอ่อุตริสมมุติกันขึ้นมาแบบในโลกนี้ที่เขามีการหลอกลวงกันตา่ตางๆแต่นี่เป็นความจริงล้วนๆไม่ว่ามนุษยสมบัติเทวสมบัติพรหมสมบัติเลอโลกุตระสมบัตินี้เป็นของจริงทั้งสิ้นสามารถที่จะ อยู่ในวิสัยของมนุษย์ทุกคนสามารถที่จะตักตวงเอามาเป็นสมบัติของตนเองได้ในเบื้องต้นต้องมีศรัทธาความเชื่อเชื่อว่ามีจริงและเชื่อว่าการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของพระอริยสมทั้งหลาย ผู้ที่ได้ปฏิบัติตามแล้วและได้สมบัติอันเลิศอันประเสริฐไปครองแล้วถ้าเรามีความเชื่อเราก็จะมีความยินดีคือมีความพอใจเราจะมีความสนใจต่อการศึกษาและการปฏิบัติถ้าเราไม่มีความยินดีเราก็จะไม่ได้ศึกษาเราจะไม่ได้ปฏิบัติ ถ้าเราไม่มีความเชื่อเราก็จะไม่มีความยินดีดังนั้นในเบื้องต้นก็ต้องพยายามเชื่อไปก่อนวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราเกิดความเชื่อความศรัทธาได้ก็คือการได้พบกับพระหรือผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้รับสมบัติอันเลิศอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าไปเป็นของตนแล้วถ้าได้พบกับบุคคลเหล่านี้ ได้ยินได้ฟังคำสอนของท่านเหล่านี้จะทำให้เราเกิดมีศรัทธาขึ้นมาเพราะท่านพูดด้วยความมั่นใจร้อยเปอร์เซนเพราะท่านเห็นแล้วดูแล้วเหมือนกับท่านได้ไปถึงสถานที่หนึ่งแล้วสามารถพูดได้เต็มปากว่าสถานที่นั้นมีอะไรบ้าง <c oughs> เช่นวัดยา น, นี้เป็นต้นถ้าท่านได้เคยมาที่วัดนี้แล้ว ถ้ามีใครถามว่าที่วัดยา น, นี้มีอะไรบ้างท่านก็จะสามารถตอบได้อย่างเต็มที่พูดได้อย่างถูกต้องมั่นยำจนคนฟังนี้จะไม่มีความเครือบแคงสงสัยเลยในทางตรงกันข้ามถ้าคนที่ยังไม่เคยมาที่วัดยานแล้วเกิดมีใครถามเกี่ยวกับวัดยานจะไม่สามารถตอบให้กระจ่างได้พูดไปก็จะพูดในเชิงว่า คงเป็นอย่างนั้นมันคงคนจะเป็นอย่างนี้มั้งคงจะมีอย่างนั้นคงจะมีอย่างนี้บ้างถ้าพูดไปแบบนี้คนฟังก็จะลังเลสงสัยไม่มั่นใจฉันใดเรื่องของสมบัติต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้กับพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไปคุยกับคนที่ไม่รู้จริงเห็นจริงคนที่ไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ คนที่ไม่ได้รับสมบัตินี้ไปครองแล้วจะพูดแบบไม่มั่นใจจะพูดแบบลังเลสงสัยทำให้คนฟังนี้ไม่มั่นใจหรือจะพูดไปในทางที่ผิดถ้าคนฟังหลงเชื่อก็จะหลงผิดตามไปแทนที่จะได้สมบัติอันต่อเสดก็อาจจะได้สิ่งอื่นที่ไม่ปรารถนาก็ได้ ดังนั้นการที่เราจะเกิดความเชื่อขึ้นมาเราควรจะสแสวงหาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นคารวาสผู้ครองเรือนงเขาเหล่านี้ถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์ได้ด้วยกันทั้งนั้นคำว่าอริยสงฆ์นี้ไม่ได้หมายถึงพระบวชอย่างเดียว พระอริยสงฆ์นี้หมายถึงผู้ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ท่านเหล่านี้เรียกว่าเป็นพระอริยสงฆ์ซึ่งในสมัยพุทธกาลก็มีบุคคลต่างๆมากมายมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งนักบวชและครวะญาติโยมมีทั้งผู้ใหญ่ มีทั้งเด็กสา ม, มัณในในสมัยพุทธกาลก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์มีเป็นจำนวนมากเหมือนกันภิกษุณีคือผู้หญิงนักบวชก็เป็นพระอาหารหันต์กันมากหรือคารวะญาติโยมก็มีเป็นพระอาหารหันต์กันอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันเพราะว่าการที่จะเป็นพระอริยสงฆ์นี้ไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้อยู่ที่ฐานะ ว่ารวยหรือจนว่ามีการศึกษามากหรือน้อยว่าเป็นแต่อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าปฏิบัติตามแล้วผลย่อมเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างแน่นอนเพราะการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุเป็นแม่เป็นพ่อส่วนผลเป็นเหมือนลูก ถ้ามีพ่อมีแม่ก็ต้องมีก็มีลูกได้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็มีลูกไม่ได้ฉันใดสมบัติต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้กับเราก็เป็นผลที่เกิดจากเหตุถ้าไม่ปฏิบัติตามเหตุไม่สร้างเหตุให้สมบูรณ์ครบถ้วนก็จะไม่สามารถที่จะรับผลได้ดังนั้น จึงต้องอยู่ที่เหตุปรหลักคืออยู่ที่การศึกษาแล้วนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาปฏิบัติกับตัวเรากับกายวาจาใจของเราเท่านั้นแล้วผลอันดีอันเลิศอันประเสริฐต่างๆก็จะปรากฏตามขึ้นมาอย่างแน่นอนถ้าเราหาบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้ก็ยังมี คำสอนของพระพุทธเจ้าที่คงเส้นคงวาที่มีบรรจุอยู่ในพระไตรปิฎกหรือหนังสือที่คัดลอกออกมาจากพระไตรปิฎกก็สามารถเป็นเป็นสื่อที่ให้เราศึกษาแทนจากการได้ยินได้ฟังจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แต่อาจจะยากกว่า เพราะเราจะต้องอ่านเองศึกษาเองแล้วทำความเข้าใจเองถ้าเรามีสติปัญญาความรู้ความฉลาดมากโอกาสที่จะศึกษาแล้วเกิดความเข้าใจก็จะมีมากถ้าเรามีสติปัญญาน้อยโอกาสที่จะศึกษาแล้วเกิดความเข้าอกเข้าใจก็จะมีน้อย แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยคําสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกก็เหมือนกับแผนที่ส่วนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นเหมือนกับมักกุเทศเป็นผู้นำทางเวลาเราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถ้าเรามีมักกุเทศนำทางก็สบายแทบเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่เดินทางเดินตามมักกุเทศไป ถึงจุดนั้นจุดนี้เขาก็จะอธิบายให้เราฟังว่ามีความสําคัญอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรแต่ถ้าเราไม่มีมักคุเทศเราก็ต้องอาศัยแผนที่อาศัยหนังสือที่แนะนําวิธีท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็อาจจะไปช้าหน่อยเพราะเราต้องคอยดูทางคอยดูป้ายคอยถาม คนที่อยู่แถวนั้นว่าถนนนี้ชื่ออะไรเลี้ยวซ้ายไปทางไหนเลี้ยวขวาไปทางไหนก็จะเสียเวลาหน่อยต้องค่อยๆแกะทางไปแต่ก็ยังสามารถไปถึงจุดที่เราต้องการไปได้แต่ถ้าเราไม่มีแผนที่ไม่มีมักคุเทศนำทางเลยแล้วเราเดินไปเองนี่ โอกาสที่จะหลงทางก็มีอยู่มากเช่นเดียวกับผู้ที่มีศรัทธาอยากจะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนแต่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนไม่มีมกักคุเทศนำทางหรือศึกษาแล้วไม่มีสติปัญญามากพอที่จะแยกแยะได้ว่าทางไหนเป็นทางที่ถูกทางไหนเป็นทางที่ผิด ก็จะหลงทางได้ดังที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าอย่าไปนั่งสมาธิอย่าไปปฏิบัติธรรมตามลำพังก็ะจะกลายเป็นคนบ้าไปได้แต่ความจริงการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้ทาให้คนเป็นคนบ้าแต่ทำให้เป็นพระอารหันต์เป็นพระอาริยเจ้าแต่คนที่ปฏิบัติถ้าไม่มีคนสอนไม่มี แผนที่นำทางหรือไม่มีสติปัญญาความฉลาดพอที่จะแยกแยะเวลาที่ปรากฏอะไรขึ้นมาในปฏิบัติได้ก็จะกลายเป็นคนบ้าไปได้เหมือนกันแต่พวกเราไม่ต้องกลัวเรื่องการปฏิบัติคนส่วนใหญ่เขาปฏิบัติไม่มีใครเขาเป็นบ้ากันมีคนส่วนน้อยคนที่ไม่สนใจศึกษา ไม่สนใจที่จะไปหาผู้รู้ให้สอนให้พาไปนะมีความเชื่อมั่นในตัวของตนเองแล้วก็พลาดไปได้เพราะทางนี้เป็นทางที่ไม่เคยไปมาก่อนจะมีทางแยกอยู่หลายทางแยกด้วยกันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือจะตรงไปบางทีก็ไม่รู้ก็หลงทางได้ เช่นคนที่นั่งสมาธิแล้วคิดว่านั่งเพื่อให้เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเปรตเห็นผีเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้พวกนี้ถือว่าเป็นพวกหลงทางเพราะการนั่งสมาธิเพื่อรับสมบัติที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับเรานั้นเรานั่งเพื่อต้องการความสงบต้องการให้จิตนิ่งไม่คิดปรุงแต่งต่างๆต้องการให้ จิตมีความสุขมีความอิ่มมีความพออยู่ในใจแต่สําหรับบางท่านเมื่อนั่งไปแล้วก็อาจจะปรากฏมีอะไรต่างๆขึ้นมาได้เหมือนที่ปรากฏในจอโทรทัศน์อาจจะมีมีมีสัตว์มีบุคคลมีเรื่องราวต่างๆมาโผล่มาปรากฏให้เห็นก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นจริงก็ได้ อาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราเกิดไปพบสิ่งเหล่านี้เข้าแล้วเกิดมีความยินดีแล้วนั่งทีไรก็อยากจะพบกับสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่ได้รับสมบัติที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับเรานั่งทีไรก็จะดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรกับจิตใจเลย ไม่ได้เป็นสมบัติอะไรเลยเป็นเหมือนกับการได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเท่านั้นเองไม่ได้เหมือนกับการทำงานทำมาหากินมีรายได้มีสมบัติเข้าของเงินทองการนั่งสมาธิแล้วเห็นสิ่งต่างๆแล้วไปยินดีนั่งทีไรก็จะดูสิ่งต่างๆที่มาปรากฏ จะไม่ทําให้ตนเองฉลาดขึ้นแต่อย่างใดจะไม่ทําให้จิตใจมีความสงบมากขึ้นแต่อย่างใดจะไม่ทําให้กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเบาบางลงไปแต่กลับจะทําให้มีกิเลสเพิ่มมากขึ้นไปถ้าไม่ระมัด ร, ระวังก็จะกลายเป็นคนบ้าไปได้อาจจะอุตรินึกว่าตนเป็นผู้วิเศษขึ้นมาได้นะ นี่คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติโดยไม่มีผู้นําทางไม่มีแผนที่ปฏิบัติไปตามลำพังตามความเข้าใจของตอนเองจึงปรากฏเป็นข่าวขึ้นมาที่บางคนปฏิบัติแล้วคิดว่าตนเองได้บรรลุแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ต่อไปก็ฆ่าตัวตายกันไปทั้งครอบครัวเลย ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกพวกนี้เขาคิดว่าเขาได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเขาไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วเขาไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมต่อไปอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์สู้ฆ่าตัวตายหนีความทุกข์ดีกว่านี่ก็เป็นกิเลสแล้วโดยที่ไม่รู้สึกตัวเป็นความหลงแล้วพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ทั้งหลาย หลังจากที่ท่านได้บรรลุแล้วท่านไม่ได้ฆ่าตัวตายท่านก็ยังอยู่เป็นปกติเหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้บรรลุต่างกันตรงที่จิตใจของท่านนั้นไม่มีความทุกข์ความกังวลกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นอยู่ก็ได้ตายก็ได้สำหรับท่านไม่ไ ม, ไม่ไม่มีน้ำหนักมากน้อยไปกว่ากันดังนั้นจิตของท่านจะไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตาย ไม่เคยคิดจะหนีจากความทุกข์ต่างๆที่จะตามมาที่จะปรากฏขึ้นกับสังขารร่างกายคือความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายหรือการพัดพรากจากสิ่งต่างๆสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถไปกระทบกระเทือนจิตใจของพ่อพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ท่านจึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปฆ่าตัวตายนีสิ่งเหล่านี้ไป ท่านสามารถรเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างสบายอดสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะจิตใจของท่านได้ปล่อยวางแล้วไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายร่างกายของตนนี้ก็เป็นเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเวลาคนอื่นตายพวกเราจิตใจของเราวุ่นวายไหมเราก็เฉยเฉย คนนั้นตายคนนี้ตายมีอยู่ตลอดเวลาแม้ในขณะนี้ก็มีคนตายอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้สึกวุ่นวายใจไปกับการตายของเขาเพราะเราไม่ได้ถือว่าเป็นร่างกายของเรานั่นเองเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านก็ไม่ถือว่าร่างกายของท่านนี้เป็นของท่านท่านถือว่าเป็นของธรรมชาติเป็นของดินน้ำลมไฟเป็นของที่จะต้อง สลายไปในที่สุดเป็นการรวมตัวของดินน้ำลุมไฟเมื่อถึงเวลาเขาก็ต้องแยกจากไปร่างกายไม่นานก็จะต้องสูญหายไปกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเป็นธรรมดาสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆก็ต้องจากกันไปหมดกันไปท่านได้เจริญปัญญาแล้วท่านมีสติท่านมีสมาธิ ท่านรู้แล้วอย่างถ่องแท้อย่างมั่นใจจนสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ท่านจึงไม่เดือดร้อนวุ่นวายใจไปกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเจริญหรือเสือ่อมไม่ว่าจะมาหรือไปจะไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นเหมือนกับพวกเราที่ ไม่มีความรู้สึกอะไรกับการเจริญหรือเสื่อมของสมบัติของคนอื่นคนอื่นเขารวยเขาจนเราก็ไม่ได้เดือดร้อนไปกับเขาคนอื่นเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราก็ไม่เดือดร้อนไปกับเขาแต่เรายังเดือดร้อนกับร่างกายของเรายังเดือดร้อนกับคนที่เรารักเรารู้จักเพราะเรายังไปหลงไปยึดไปติดกับเขานั่นเอง เราไม่สามารถมองเขาเหมือนกับคนที่เราไม่รู้จักถ้าเรามองว่าเขากับคนที่เราไม่รู้จักก็เหมือนอนกันร่างกายก็มีอาการ32เหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทำไมคนนั้นตายได้แล้วไม่เดือดร้อนทำไมคนนี้ตายแล้วเราต้องเดือดร้อนด้วยเดือดร้อนแล้วไปทำไรายได้หรือเปล่าเราไปทำให้เขาฟื้นกลับขึ้นมาได้หรือเปล่า ก็กลับมาไม่ได้เหมือนกันเราไปเดือดร้อนทำไมเวลาเดือดร้อนเวลาทุกข์ใครใครทุกข์ใครใครเดือดร้อนก็เราะใจของเราใครเรากินไม่ได้นอนไม่หลับร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจก็ตัวเรานี่แหละเพราะความหลงของเราเราไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสามารถแยกแยะได้สามารถเปรียบเทียบได้ ดังนั้นขอให้เราพยายามเปรียบเทียบว่าร่างกายของเราก็เป็นเหมือนกับร่างกายของคนอื่นสมบัติของเราก็เปรียบเหมือนกับสมบัติของคนอื่นความจริงเราไม่มีสมบัติเราก็อยู่ได้มาบวชเป็นพระเราก็อยู่ได้แล้วไม่ต้องมีสมบัติเข้าของเงินทองก็อยู่ได้ขอให้มีข้าวกินไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองถ้าไม่มีข้าวกินก็ตายไปเท่านั้นมันก็เหมือนกัน ไม่ว่าใครก็ตามจะมีสมบัติมากน้อยเพียงไรสักวันหนึ่งก็ต้องตายไปเหมือนกันดังนั้นความตายจึงมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ว่าจะรวยจะจนจะแก่หรือจะหนุ่มจะสาวเมื่อถึงเวลาแล้วมันตายได้ด้วยกันแต่จะตายแบบไหนเท่านั้นเองตายแบบสบาย อ, อกสบายใจหรือตายแบบวุ่นวายใจ ก็ขึ work, er. ilee, ้นอยู่ที่ว่าเราสามารถแยกแยะสามารถเปรียบเทียบสมบัติของเราร่างกายของเราว่าเป็นเหมือนกับสมบัติของคนอื่นร่างกายของคนอื่นหรือไม่ถ้าเราสามารถเปรียบเทียบว่าร่างกายของเราก็เหมือนกับร่างกายของคนอื่นเวลาคนอื่นตายเราไม่เดือดร้อนเวลาเราตายเราก็ไม่เดือดร้อนเช่นเดียวกันเวลาคนอื่นเขาสูญเสียสมบัติไปเราไม่เดือดร้อน เวลาเราสูญเสียสมบัติของเราไปเราก็ไม่เดือดร้อนได้เหมือนกันก็มีเท่านี้นี่คือนี่แหละคือผลที่เราต้องการจากการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิก็ดีหรือการพิจารณาด้วยปัญญาก็ดีก็พิจารณาหรือนั่งสมาธิเพื่อให้ใจของเรานี้เป็นปกติสุขนั่นเองอยู่เฉยเฉยไม่เดือดร้อนกับทุกสิ่งทุกอย่าง กับการเจริญและการเสือ่อมกับการมาและการไปของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆในโลกนี้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วจิตใจของเราจะมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลามีความอิ่มมีความพอปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจเดือนเนื้อร้อนใจต่างๆจะไม่มีอยู่กับเราเลยเราจะอยู่อย่างนี้ไปตลอด หลังจากที่ร่างกายนี้แตกดับไปแล้วใจของเราก็ยังจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนี่คือใจของผู้ที่ได้รับสมบัติขั้นสูงสุดของพระพุทธศาสนาไปก็คือนิพพานสมบัติอยู่ที่ตรงนี้เองอยู่ที่ศรัทธาความเชื่ออยู่ที่ความยินดีที่จะศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยสติด้วยปัญญา ด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยสมาธินี่คือเครื่องมือที่จะตักตวงสมบัติอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้กับเราถ้าเรายังไม่ได้สมบัติขั้นสูงสุดอย่างน้อยเราก็จะได้ขั้นต่ำสุดก็คือขั้นอนุสสยสมบัติและสูงขึ้นไปอีกก็เทวสมบัติและพรหมสมบัติต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอน ถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาศึกษาและปฏิบัติกันอย่างจริงจังจึงขอให้ท่านจงน้อมเอาพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาใส่ใจมาศึกษาและมาปฏิบัติเพื่อที่จะได้รับสมบัติต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้กับพวกเราการแสดงก็เห็นว่า